มาไหวตัวขึ้นตื่นจากห่วงรำพึงอันกลัด ก, กลุ้มเมื่อแววเสียงกระซิบเรียกเบาๆว่านายนายเป็นอะไรไปไม่สบายเลอมันเป็นเสียงของตาเท่าบุญคำผู้เข้ามานั่งยองๆอยู่ข้างตัวพรานใหญ่สะดุ้งลืมตาโพลงขึ้นแล้วบัดนั้นเขาก็รู้สึกปวดหัวปวดหัวจริงๆมีอาการเหมือนจะจับไข้ พยายามจะลุกขึ้นยืนแต่แล้วก็ส่วนเสต้าพรานเท่าสมุนขวากะโดดเข้าประคองไว้ร้องเร็วอย่างตกใจนายนี่นายไม่สบายจริงๆด้วยแดดออกร้อนเปรียงแต่ตัวเย็นชืดเลยนายนั่งตรงนี้ก่อนเถอะแกจับเขากดกึ่งประคองให้นั่งลงบนก้อนหินแต่ ย, ยังไม่ทันที่ระพินจะร้องห้ามอะไรออกไป ตาเท้าก็แล่นอ้าวตรงไปยังกลุ่มนายจ้างโดยเร็วเจ้ามักคุเทศพยายามจะทรงกายขึ้นยืนอีกครั้งแต่หน้ามันมืดมืดวิงเวียนยังไงบอกไม่ถูกต่อมาเขาก็เห็นกลุ่มของนายจ้างพลูเข้ามาห้อมล้อมไว้ร้องซักถามแซดกันไปหมดรวมทั้งเชิดบุตรด้วยในจำนวนนั้นมีสแตนลีย์คีทอิสเบลและเชิดบุตรครบหน้าขาเพียงคนเดียวเท่านั้นคริสตินา หล่อนไม่ได้หวนกลับมาอีกเปล่าเปล่าผ ม, ผมไม่ได้เป็นอะไรเขาฝืนหัวเราะโบกมือและพูด เ, ดเร็วแต่เสียงแหบแห้งกลบกลืนต่อไปว่าตะคำไปบอกอะไรพวกคุณนะเนี่ยอิสเบลปราดเข้าประชิดตัวเข้า ท, าทันทีจับแขนไว้คว้าชีพรจรแล้วขมวดคิว้วกระซิบถามเบาที่สุดได้ยินเฉพาะสองต่อสองเท่านั้น เกิดอะไรขึ้นคริสทำร้ายคุณเนอะคริสอยู่ไหนเสียงของระพินเบาที่สุดเช่นกันฉันเห็นเขาเดินหน้าตายไปนั่งอยู่ที่ก้อนหินน้นคนเดียวไม่กลับไปรวมกลุ่มกับพวกเราบอกสิเขาทำอะไรคุณอิชฉันเจอแล้วนะไว้ระวังตัว กระพินกล้ามกลืนอะไรชนิดหนึ่งลงคอใช่ผมระวังตัวระวังจนกระทั่งขี้ขลาตาขาวแล้วก็กลายเป็นคนทำร้ายคริสไปซะเอ ง, งทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผมเลยสักนิดบัดสกคำหลังเขาสบดสาบแช่งตัวเองอิสเบนดูเหมือนจะไม่เข้าใจในคำพูดของเขานักทำหน้าง ง, ง ขณะนั้นรบพินก็บุยายทำสัญญาณให้ในายจ้างทุกคนที่กำลังเข้ามายืนมุงเขาอยู่ให้นั่งลงเหมือนจะปรึกษางานตัวเองยังไม่พูดอะไรขณะนั้นก่อนทั้งสิ้นควักกระเป๋าเสื้อหยิบเอาตลับโลหะแบนๆ เ, เก่าๆที่บรรจุยาส่วนตัวออกมาเปิดฝาออกแล้วเลือกได้ยาลักษณะกลมแบนสีขาวสองเม็ดขยับจะใส่ปากหมอเบนเห็นเขาก็คว้ามือฉับ อะไรนะ่จะกินยาอะไรแอสไพรินเบผมปวดหัวนิดหน่อยไม่เป็นไรมากหรอกเดี๋ยวก็เรียบร้อยว่าแล้วก็โยนยาเข้าปากเคี้ยวเชิญบุษสงกระติกน้ามาให้ระพินรับมาเปิดฝากรอกใส่ปากดืม่มอมอมแล้วก็ส่งคืนสะบัดหน้าไปอยู่สองสามครั้งฝืนตีหน้าเป็นปกติเป็นไงคืเอเน้นคิด วิทยุเครื่องใหญ่ติดต่อกอับกองบัญชาการของคุณได้สะดวกเรียบร้อยดีป่ะนั่นเป็นการพูดถึงเรื่องการเรื่องงานที่กรบเกลือนร่องรอยทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดีที่สุดเรียบร้อยดีมากเลยระพินชัดแจ๋วเลยไอ้พวกนั้นน่ะดาพ่อล่อแม่ลวงม่ใหญ่ที่เราขาดการติดต่อไปนานหลายสิบชั่วโมงแต่เราก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกรายละเอียดอะไรทั้งนั้นไอ้ที่เราเผชิญมาให้พวกเขารู้ นอกจากบอกว่ามีอุปสรรคขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยระยำแทนดิมันบอกเรามาว่านึกว่าพวกเร า, เาลงนรกไปหมดละคีดบอกพลางหัวเราะชอบใจแน่ใจไหมครับว่าวขณะ น, นี้พวกเขารู้ว่าเราอยู่ตรงตำแหน่งไหนกระปินถามไปเช่นนั้นเองก็พอจะรู้ตามพิกัดของแผนที่ทางอากาศนะถ้าพวกนั้นอ่านไม่ผิด อ๋อมอเบลเมื่อกี้ที่คริสมาตามคุณบอกว่าทางกองบัญชาการต้องการพูด ก, กับคุณน่ะเขาต้องการพูด ก, กับคุณจริงปะพรานใหญ่หันไปสอบถามอิซาเบลเพื่ออย่างอะไรบางอย่างซึ่งก็ได้รับคําตอบว่าจริงก็ต้องการฟังเสียงพวกเราทั้งสี่คนโดยให้รายงานตัวตามลําดับกันทุกคนก็ไม่มีอะไรมากหรอกเขาต้องการรู้ให้แน่ชัดว่าอาจารย์คิด คริสแล้วก็ฉันยังมีชีวิตกันอยู่ครบถ้วนเรียบร้อยดีทุกคนระพินพยักหน้านั่นแปลว่าคริสติน่าไม่ได้มีลูกไม้หรืออุบายอะไรเลยที่เข้ามาขัดแทรกจังหวะเมื่อครู่นี้เชิดวุตก็สอดพลงขึ้นตามนิสัยว่าเสียดายมากนะรพินที่หอบังคับการไม่อนุญาตและไม่สนใจยอมรับว่าผมเป็นคนหนึ่งของคณะอเมริกันทั้งสี่คนนี้ด้วยเลย แล้วไม่ต้องการพูดกับผมบางถ้าเขาให้โอกาสผมพูดติดต่อผมก็จะบอกว่าทุกคนถูกพรานนำทางหลอกก็ไปตกเขวตายหมดละด็อเตอร์สแตนลีย์ตบหลังนายทหารหนุ่มไทยโดยแรงทองคอบอกต่ำๆว่าว่านาวุฒคุณรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วนี่ว่าคุณมาในฐานะอะไรพวกบนนั้นน่ะเขาไม่รู้จักคุณแล้วคุณก็ไม่มีรหัสที่จะติดต่อได้ ถึงพูดขึ้นไปเขาก็ไม่ตอบลงมาก็เหมือนเหมือนกับกระเรียงหรือชาวป่าพวกนี้แหละถ้าพวกเราสี่คนนี่ไปถามอะไรเขาเขาก็จะไม่ยอมตอบอะไรทั้งนั้นนอกจากระพินเท่านั้นที่เขายอมติดต่อด้วยนี่ขอทีอะคุณอย่าพูดอะไรเป็นเชิงบ่อนทำลายให้แตกแยกไปนหน่อยเลยเราร่วมเป็นร่วมตายกันมาถึงเพียงนี้แล้วแล้วคุณก็ในฐานะตัวเชื่อมกลางระหว่างรพินกับพวกเรา ก็ไม่น่าจะพูดอะไรให้ริพินต้องคิดมากเลยเออเออผมมันปากเสียว่ะโทษทีโทษ ท, ท, ทีเชิดวุธกระตุกไหล่แล้วบอกอ่อยๆคิดกับอิสเบอร์มองหน้าบุตรชายท่านนายพลอย่างไม่พอใจนะบ่นอะไรพื้นพามริพินไม่สนใจอะไรอีกนัดแผนที่ซึ่งได้รับแจกเมื่อครั้งแรกกับแผนที่ส่วนตัวของเขาออกมาคลี่เปรียบเทียบกันดู พิจารณานิ่งไปครู่ในขณะที่ฝ่ายบริการพากันล้อมวงเข้ามาเรากําลังจะออกเดินทางต่อภายในไม่เกินสิบนาทีเนี่นะครับผมจะอธิบายให้พวกท่านทราบ พ, พอสังเขตว่าขณะนี้พวกเราอยู่ที่ไหนและจะบ่ายหน้าไปทางไหนก่อนตลอดจนภูมิประเทศแวดล้อมเนี่ยระพินพูดแล้วเงยหน้าขึ้นมองดูทุกคนที่รายล้อมอยู่กล่าวต่อไปว่า พวกเราไปนคนหนึ่งครับคือมิสกรูบิ n งผมคิดว่าเธอควรจะมารับฟังและเข้าใจไว้ด้วยครับทั้งหมดหันมาดูแล้วก็เพิ่งจะมารู้ว่าขณะ น, นี้คริสติน่าไม่ได้เข้ามาร่วมวงด้วยนายคิดจึงลุกขึ้นยืนชะโงกพ้นแง่หินออกไปตะโกนเรียกคริสตินา่าผู้นั่งกอดเขานิ่งอยู่คริสมานี่น่อยเรากำลังจะหาหรือกันเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง แม่ผมทองไม่ได้ตะโกนตอบยังนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมแต่ใช้วิทยุประจำตัวตอบมาเรียบเรียบเบาๆว่าตามสบายเถอะอาจารย์และพวกเราทุกคนอยู่ที่นั่นแล้วถึงฉันไปร่วมด้วยก็คงไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกขอแค่นั่งพักเหนื่อยตามลาพังหน่อยพร้อมจะออกเดินทางเมื่อไหร่บอกแล้วกันเสียงนายคิดซึ่งไม่รู้อะไรเช่นเดียวกับทุกคนตะโกนโวกเกวกเรียกมาอีก เราพิงจึงสะ ก, กิดแขนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับอย่าไปกวนเอยเรามาหารือกันเองก็ได้ทางจอมคุ้เทศก็เหลือบขึ้นดูตะวันบนท้องฟ้าแล้วชำเลืองเปรียบเทียบกับนาฬิกาข้อมือดึงปากกาลูกลื่นที่เน็บกระเป๋าเสื้อขึ้นมาขีดวงแล้วลากเส้นบางๆประกอบคำอธิบายลงไปบนแผนที่ส่วนตัวของเขา ขณะนี้เราอยู่ที่จุดนี้นะครับซอกระหว่างสันเขาติดกับบริเวณหุบหมาหอ น, นทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของหุบเป็นหุบลึกลักษณะแอ่งกระทะที่กว้างใหญ่และก็ทึบมากภายในวงเขาสลับซับซ้อนที่ล้อมอยู่รอบอาณาบริเวณของหุบหมาหอ น, นมีลักษณะเป็นวงรีเหมือนรูปไข่เต็มไปด้วยน้องบึงและก็ป่าช้นแฉะ หมู่บ้านห้วยสือร้องที่เราจะบุกไปโดยนำเอาพวกกะเหรี่ยงอพยพส่วนนี้ไปทิ้งไว้ที่นั่นด้วยอยู่ตรงตำแหน่งนี้ครับเขากากระบาดลงไปยังเป้าหมายในแผนที่กล่าวช้าๆต่อไปในขณะที่ทุกคนซึ่งล้อมวงดูอยู่จ้องแผนที่และสงบฟังอย่างตาไม่กระพริบดูตามแผนที่นี่จะเห็นว่าระยะทางที่ใกล้ที่สุด ก็คือภายหลังจากลุงจากเขานี่ไปแล้วเราจะต้องตัดมุดถ้ำของภูเขาตำแหน่ง x นี่ทะลุเข้าบริเวณหุบหมาหอนปากทางที่จะมุดเข้ามีน้ำตกขนาดใหญ่กระโจนผ่านปากถ้ำซึ่งถ้าคนไม่รู้ทางมาก่อนสายน้ำตกจะปิดปากถ้ำไม่ให้เห็นเราจะต้องลุยน้ำและผ่านม่านน้ำตกเข้าไปจึงจะพบปากถ้ำ ซึ่งโดยหนทางที่มุดลอดเข้าไปใต้ภูเขานี่ใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงก็จะโผล่เข้าไปในบริเวณหุบเดินเลาะทานที่ลุ่มชื้นแฉเป็นหนองบึงอีกราวหนึ่งชั่วโมงเสร็จเก็จะถึงห้วสื่อรองระพินเว้นระยะเอาด้ามปากกาแตะริมฝีปากแล้วนิ่งไปชั่วขณะจิตเหมือนจะใช้ความคิดอะไรบางอย่าง ทั้งนั้นเราก็ควรจะถึงห้วยเสือร้องก่อนทุ่มของวันนี้ซึ่งก็ไม่ช้าเกินไปนิระพินครับโดยเส้นทางที่ผมบอกนี่ก็แปลว่าหลังจากนี้อีกไม่เกินสามชั่วโมงเสษเราควรจะถึงห้วยเสือร้องซึ่งเป็นเนินเขาที่ราบสูงเหนือระดับลุ่มของหุบหมาหอนครับแต่จอมพรานยิ้มเล่นเลียนเหลือมองไปยังกองคารวานกระเรียง ที่หยุดพักกันอยู่ไม่ห่างออกไปนักแต่มันมีปัญหาครับปัญหามากซะด้วยเกี่ยวกัสบสภาพของการเดินทางเป็นคาราวานแบบนี้นะครับปัญหาอะไรล่ะคุณฝ่ายนายจ้างรวมทั้งเชิดบุรถามขึ้นราวกันนัดกันไว้ในถ้ำที่เรามุดเข้าไปนี่นะครับจะใช้เวลาเดินประมาณสองชั่วโมงโดยไม่เห็นแสงตะวันเลย ก็อตรายมากเพราะมืดสนิทและทางเดินมันมิ่นเมเหรือเกินครับเป็นไม่ได้เหวลึกเป็นปล่องเป็นโพงลงไปนับไม่ถ้วนถ้าลำพังพวกเรากันเองหรือกระเรียงผู้ชายชะกันล้วนๆก็ยังพอระวังกันได้แต่นี่มีเด็กมีผู้หญิงมีคนแก่ยิ่งกว่านั้นยังมีสัมภาระอีกมากมายถ้าเราลอดถ้าน้าตกนี่เข้าไปผมไม่แน่ใจครับ ว่าตอนผลูออกกินฟากหนึ่งอะกะเรเลียงพวกนี้จะเหลือรอดอยู่สักกี่คนเพราะคงจะพลัดตกเหวกันเป็นระนาวสมัยก่อนที่ผมเคยนำคณะนายจ้างตามช่างร้ายเข้าไปในถ้า น, นี้พวกเราล้วนตัวเปล่าแล้วก็แข็งแรงชะกันด้วยกันทุกคนมีจำนวนเพียงไม่เกินเจ็ดแปดคนเท่านั้นเรายังต้องใช้เอวผูกเชือกเรายังต้องใช้เชือกผูกเอวเชื่อมโยงกันไว้ทั้งหมดเพื่อคอยช่วยเหลือกัน ถ้าใครพลาดแต่นี่เนี่ยจำนวนกว่าครึ่งร้อยแถมแบกสัมภาระหนักไปด้วยอย่างรุงตุงนางผมว่าให้ผมระวังนี่ไม่ไหวแล้วครับนอกจากอันตรายในถ้ำนี่แล้วพบพลุยทางหนึง่งก็จะผ่านที่ลุ่มต่ำดังบอกแล้วตรงนั้นหนักจะระเข้กังงูพิษเนี่ยยังกระหนอนอาจจะต้องข้ามบึงเป็นบางตอนแม้ทุกคนจะโชคดีมุดถ้ำรอดออกไปได้ ตอนเข้าบึงก็ต้องเสี่ยงอีกเป็นอย่างมากระยะทางมันย่นย่อได้มากก็จริงนะครับแต่มันเป็นการสมควรหรือไม่ที่เราจะเอาชีวิตของกระเลียงอพยพรวมทั้งพวกลูกหาบของเราเองด้วยนะไปเสี่ยงลำพังพวกคุณห้าคนนะผมก็พอจะรับรองความปลอดภัยให้ได้อยู่แต่ลูกเล็กเด็กแดงผู้หญิงคนแก่มากมายนะผมคุ้มครองไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็อยากจะ ทราบการตัดสินใจว่าเราจะเอากันยังไงทั้งสี่คนอึ้งกับริบตาอยู่เปริดๆ ป, ปิตามองแผนที่แล้วจ้องเขาเป็นตาเดียวผมไม่ต้องการให้พวกเราคนใดรวมทั้งเกรียงที่เรานำมาด้วยในครั้งนี้จะต้องมีการตายกันขึ้นอีกเลยแม้แต่คนเดียวเพราะเมื่อร่วมทางกันมาแล้วก็ต้องถือว่าพวกเขาเป็นคนของเราด้วย หัวหน้าคณะพูดเสียงห้าวลึกนอกจากทางลัดที่คุณว่านี่แล้วน่ะมีทางออกอื่นอีกไหมมีครับแต่มันอ้อมแล้วก็เดินอีกไกลเหลือเกินเกรงว่าต่อให้เที่ยงคืนของคืนนี้ก็ยังไม่ถึงหนทางที่ว่านี่ก็คือไต่ไปตามเส้นทางบนสันเขานี่สูงขึ้นไปเรื่อย พอถึงยอดสูงสุดของเทือกที่เรียกกันว่าเทือกสักดำเนี่ยก็ไต่ลงตะวันออกเฉียงเหนือหุวยเสือร้องรอเราอยู่ทางลงอีกด้านหนึ่งเหมือนกันคืนนี้ไม่ถึงจุดหมายแน่ครับแล้วก็ต้องนอนค้างพักบนยอดสักดำสรุปก็คือเสียเวลาไปอีกหนึ่งวันความจริงเราก็เสียเวลามาหลายครั้งหลายหนแลยนะรพิน์ ทำไมอ่ะจะยอมเสียเวลาอีกสักคืนหนึ่งไม่ได้เหรอเลือกเอาวิธีเดินอ้อมแต่หนทางปลอดภัยพอสมควรดีกว่านะการตัดสินหรือต่อรองเป็นหน้าที่ของอเมริกันอาวุโสเพียงผู้เดียวความจริงคุณควรตัดสินได้ดีกว่าพวกเรานะไอ้เกลอคิดสอดขึ้นมาครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจถูกหรือผิด ถึงต้องบอกความจริงแล้วก็ขอความเห็นด้วยครับเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ต้องมาโทษกันภายหลังนั้นฟังให้ดีนะครับผมสรุปอีกครั้งหนึง่งหนทางที่เราจะไปห้วย ส, สือร้องขนาดนี้นะ่ะสรุปแล้วมีสองทางคือทางลัฐกับทางอ้อมทางลัฐน่าเดินลำบากมากเพราะภูมิประเทศแมันอันตรายยากในการเดินทางของขอบวนใหญ่แต่ก็จะดีตรงที่ถึงที่หมายเร็ว ส่วนทางอ้อมหนทางเดินสะดวกสบายพอสมควรแต่จะไปลําบากเอาตอนพักแรมอยู่บนยอดเขาและระหว่างเส้นทางเดินก็ดีหรือระหว่างพักนอนนี่ก็ดีเราก็อาจจะถูกโจมตีซ้าจากขลงไอ้งาดำอีกก็ได้เพราะฉะนั้นมาช่วยกันใคร่ควรวญให้ดีว่าหนทางไหนจะสะดวกปลอดภัยสำหรับพวกเราที่สุดรวมทั้งกะเหรี่ยงพวกนั้นด้วย คำพูดของระพินทาให้ฝ่ายนายจ้างต้องคิดนานทีเดียวคิดกับสแตนลีซุปซิฟอะไรกันพึมพำอิสเบลกาเชิร์วุฒไม่มีความเห็นนอกจากรอฟังอยู่เท่านั้นระหว่างที่พวกนั้นยังตัดสินใจยังไงลงไปไม่ได้จอฟรานก็บอกมาอีกว่าผมมีทางให้เลือกอีกทางหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าพวกคุณจะเห็นด้วยหรือเปล่า คือพวกคุณทั้งหมดห้าคนลูกหาบอีกห้าคู่สิบคนรวมทั้งผมอีกหนึ่งคนรวมเป็นสิบเอ็ดคนเราใช้ทางลัดล่อใต้ภูเขาน้ำตกไปและเข้าให้ถึงห้วยเสือร้องก่อนส่วนกระเลียงอุพยพพวกนี้เราให้พวกเขาเดินไปทางอ้อมโดยผมจะมอบพลานพื้นเมืองของผมทั้งสี่คนคือบุญคำจันทร เกิดแล้วก็เสยเป็นผู้คุมขบวนทำหน้าที่คุ้มกันให้พวกนี้ซึ่งก็แปลว่าเราแยกกันออกเป็นสองพวกโดยมีจุดนัดพบที่ห้วยเสือร้องโดยพวกเราจะไปถึงและรออยู่ก่อนโดยภายในค่ำวันนี้ส่วนบุญคําจะนำอีกพวกหนึ่งไปถึงในราวเที่ยงของพวกนี้แต่ลีสันศรีสะช้าอย่างไม่เห็นด้วย แล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะคุณแม้ว่าจะแยกพวกกันออกโดยเราไปทางลัดอีกพวกหนึ่งไปทางอ้อมเราไปถึงก่อนเราก็ต้องรอพวกนี้อยู่ดีแหละแต่การไปถึงก่อนของพวกเราก็จะมีประโยชน์สองทางนะครับหนึ่งเมื่อถึงห้วยเสือร้องเร็วเราก็พอจะสืบความเรื่องเครื่องบินตกได้เร็วขึ้นในกรณีที่พวกคุณใจร้อนสอง พวกเราไม่ต้องเดินไกลเพียงแต่อาศัยความระมัดระวังและผจนภัยกันนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ผมไม่เห็นด้วยในข้อนั้นนะหรือใครคิดไงหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นแล้วหันไปมองคีตอิสเบรและเชิดบุตรซึ่งอีกสามคนที่คล้อยตามอเมริกันอาวุโสคีตเป็นคนบอกว่าระพิน เรามาด้วยกันเราก็ควรจะไปด้วยกันนะมันไม่สมควรหรอกที่จะให้แยกจากกันผมเชื่อว่าคุณรู้มือพรานสี่คนของคุณที่จะให้ความคุ้มครองกระเรียงพวกนี้ได้ในกรณีที่โขลงไอง้งาดาโจมตีหรือดักเล่นงานอีกแต่กระเรียงพวกนี้จะมีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งทันทีถ้าหากไม่มีคุณอยู่ให้พวกเขาได้เห็นได้อุ่นใจใครแหละจะเป็นหลักประกันให้ชีวิตเขาได้ หากคุณแยกตัวนําเฉพาะพวกเราไปใช้อีกทางหนึ่งต่อให้มีพรานทั้งสี่คนของคุณคุมไปก็ตามทีเถอะอีกอย่างนึงก็เป็นการแสดงน้ําใจของพวกเราด้วยว่าเราไม่ทอดทิ้งเขามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันพรานใหญ่ซ่อนยิ้มอย่างพอใจยิ่งคบกันไปนานๆเห็นใจกันนานๆเข้าอเมริกันพวกนี้ก็เริ่มจะลดความเห็นแก่ตัว หรือเห็นแกได้ลงและมีน้ำใจกว้างขวางเสียสละเพิ่มขึ้นข้อเสนอของเขานั้นเป็นแค่การลองอย่างน้ำใจเท่านั้นป่าใหญ่ไพรกว้างก็เป็นเช่นนี้แหละใครจะมาร่วมเป็นร่วมตายทุกญาติกรากรามร่วมชีวิตกันเมื่อใดถ้าแท้ดั่งเดิมของแต่ละคนก็ย่อมพิสูจน์ออกมาไม่ยากจอมพานบอกกับตัวเองว่า เขาชนะอยู่เหนือจิตใจในายจ้างอันตรายพวกนี้แล้วอย่างน้อยก็กว่าครึ่งคุณวุดล่ะครับว่าไงครับเขาแกล้งไปถามนายพลบุตรชายท่านนายพลผมก็ว่าพวกเราไปด้วยกันดีกว่านะคุณอย่าแยกกันเลยคุณหมอเบลลนะครับหล่อนหัวเราะเบาๆอัดควันบุหรี่ลึก คุณไพรว์วันอิสเบอเอ่ยนามเขาอย่างเจตนาจะเน้นให้ชัดเจนที่สุดคุณนะเคยคิดว่าพวกเราใจดําและเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดคุณอยา่าปฏเิเสธคุณเคยคิดอย่างนั้นแต่คุณเองนั่นแหละจะยิ่งใจดําเห็นแก่ตัวกว่าพวกเราซะอีกถ้าคุณทอดทิ้งกระเหลี่ยงพวกนี้ให้ไปกันตามลําพังโดยไม่มีคุณหรือพวกเราอยู่ให้การ ป, ปากปัก คุ้มครองเขาด้วยการสีคนของคุณเน่ยเราเรายอมรับว่าพวกเขามีฝีมือแต่ถ้าขาดคุณฉันก็เชื่อว่าพวกเราจะแก้ปัญหาต่างๆได้ยากหากมันเกิดปัญหาขึ้นเราช่วยการเรียงหมู่บ้านตะเคียนทองมาได้ด้วยดีแล้วจะมาทอดทิ้งเขาซสกลางคันอย่างนั้นเหรอคุณถ้าคิดว่าอยากจะไปนอนที่หมู่บ้านพวยสือร้องให้สบาย โดยไปให้ถึงก่อนพวกนี้ฉันว่าคุณเองนั่นแหละลวกหน้าไปคนเดียวตามลำพังดีกว่าทิ้งพรานทั้งสี่คนไว้ให้กับพวกฉันแล้วพวกฉันก็จะคุมกระเหลี่ยงพวกนี้ไปเองเอาไหมบทะนักเลงขึ้นมาอิสเบนก็เด็ดสระตีเข้าไส้ดีเหมือนกันเกินคาดทีเดียวสแสดงว่าครบได้ไม่เหยาะแยะนักหรอกแม่ผมแดงแรงสเสน่ห์คนนี้ แม้จะมีอาวุธโสต่ำที่สุดในคณะก็ตาะถ้างั้นความเห็นก็เป็นเอกฉันนะครับเป็นนั้นว่าเราจะยอมเสียเวลาอีกหนึ่งวันโดยเลือกเอาขนทางอ้อมที่ปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าสุภาพบุรุษไทยสรุปพับแผนที่ใส่ย่ามหลังและลุกขึ้นยืนหันไปสั่งกะบุญคำที่นั่งยองๆ อ, อยู่ไม่ห่างออกไปนักว่า นี่บุญคำไปตามเซยเกิดแล้วก็จันมาที่นี่เดี๋ยวนี้นะเอามาเฉพาะพวกเรานะพวกลูกหาหรือกระเรียงไม่ต้องให้มีใครตามมาด้วยแต่เท่ารับคำลุกขึ้นเดินลิ้วไปทันทีจำพานก็หันมาทางกลุ่มนายจ้างของเขาก่อนออกเดินทางนะครับผมมีอะไรให้พวกคุณดูครับผมมาถึงที่นี่ แล้คอยอยู่ตรงนี้นานเกือบชั่วโมงและได้สำรวจพบอะไรเข้าโดยบังเอิญก็ตั้งใจว่าให้หยุดพักทานอาหารกันให้เรียบร้อยสบายใจซะก่อนและเมื่อจะเคลื่อนย้ายไปจากที่นี่ก็จะนำไปให้เห็นครับคำพูดของรพินปกติธรรมดาที่สุดสีหน้าก็ช้าเฉยจนจับสังเกตอะไรไม่ได้อะไรเหรอรพิน แอลีถามโดยเร็วอ่านสีหน้าขมิเงเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับให้คนของผมสี่คนมาถึงซะ ก, ก่อนดีกว่าแล้วเราไปดูพร้อมๆกันผมจำเป็นจะต้องให้คนของผมเห็นด้วยครับอ๋อคริสจะครับนี่พวกคุณจะไม่ชวนเธอมาด้วยเหรอหัวหน้าคณะยกวิทยุขึ้นพูดทันทีคริสนี่เป็นคำสั่งนะ มาที่นี่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ารับพินจะมีเรื่องสำคัญมากที่พวกเราจะต้องรู้คริสติน่าหันขวับมาทันทีแล้วก็เห็นอิสเบกาเชิดบุตรปากมือเรียดอยู่ยอยๆจึงจำใจต้องขยับตัวซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่บุญธรรมนำเอาพรานลูกน้องอีกสามคนเดินรวมกลุ่มเข้ามาถึงพร้อมกันพอดีเอาละครับ ทุกคนโปรดสำรวมจิตตั้งสติให้ดีเจ็ดสิบซีขวามือเส้นทางด่านตัดข้ามเทือกเขาซึ่งทุกคนกำลังพักกันอยู่ในขณะนี้ห่างออกไปจากตำแหน่งที่ทั้งคณะยืนชุมนุมกันอยู่ออกไปเพียงไม่เกิน25เมตรเท่านั้นเป็นตำแหน่งที่โคดหิงก้อนใหญ่มาคือมาก้อนหนึ่งตั้งวางเองียงลักษณะผัดผาารูปร่างเหมือนครกยักษ์ ที่ตั้งเอาปากขึ้นฟ้าและเอียงเป็นมุมส0สบองศามาสู่เส้นทางที่เป็นหินเกลี้ยงไม่มีเถาวันและพันไม้อื่นใดอาศัยเกาะต็ดอยู่เลยแต่ลึกเข้าไปคือฉากหลังของหินก้อนนั้นคือปากทึบจอมกุเทศเดินช้าๆนำกลุ่มนายจ้างและพรานพื้นเมืองคู่ใจทั้งสี่ของเขาตรงเข้าไปที่นั่นเมื่อใกล้เข้ามา ทุกคนซึ่งไม่ได้พูดอะไรกันเลยในขณะนั้นก็สังเกตเห็นก้อนหินขนาดย่อมๆที่ขึ้นเรียงรายเหมือนจะเป็นบริวารของหินใหญ่อันตั้งระ ง, งานอยู่บางก้อนเป็นรอยถูกสะดุดถูกเหยียบด้วยน้ำหนักตัวอันมากมายพลิกหลุดจากตำแหน่งที่มันเคยจมพื้นอยู่ที่เดิมสังเกตง่ายมากเนื่องจากเป็นรอยใหม่ๆไม่เกินสองวันมานี่เอง จากร่องรอยเดิมที่ก้อนหินเหล่านั้นเคยจมพื้นอยู่แต่เคลื่อนจากตำแหน่งเดิมทําให้เห็นพื้นเบื้องล่างของรอยพลิกหินคล้ายๆจะมีใครมาแซะงัดไว้ความแห้งผากของพื้นโดยปกติกับความชื้นของดินใต้ก้อนหินที่ถูกพลิกย่อมแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าบริเวณ น, นั้นจะเป็นพื้นดินลูกรงังและหินดานแข็งกระด้างก็ตาม ช้างแน่ๆมันมาเดินป่นเปี่นเดินเหยียบก้อนหินเล็กๆเหล่านี้พลิกเอาไว้เสียงด็อเตอร์สแตนลีย์ครางออกมาเบาๆขณะที่จ้องสำรวจไปตามพื้นการเริ่มคุ้นเคยกับสภาพความเป็นไปของป่าทำให้คนเหล่านั้นพอจะจับรหัสสำเนีกได้ทันทีจากร่องรอยที่เห็นกระพินไม่ได้กล่าวอะไรในขณะนั้นทั้งสิ้นเพียงแต่ก้าวเดินข้ามก้อนหินเหล่านั้น ไล่เข้าไปยังโขดหินใหญ่แล้วอ้อมฐานเข้าไปทางด้านหลังโดยโบกมือให้คนทั้งหมดตามเขาเข้าไปเพราะทุกคนอ้อมฐานของหินมหคมาอันตั้งกระงานโดดเด่นมาสู่เบื้องหลังก็พบเข้ากับแอ่งอันมีลักษณะเป็นเหวหรือบอ่อตื้นๆลึกไม่เกินสาเมตรจากขอบเบื้องบนและวงของแอ่งมีลักษณะเกือบจะ ก, กลม เนื้อที่ประมาณ2ี่ตารางเมตรภายใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่สองต้นที่ยืนระงานสูงเสียด ฟ, ฟ้ารพินหยุดยืนอยู่ตรงนั้นในขณะที่ทุกคนก็พรวดเข้ามาเรียงเป็นหน้ากระดานมองลงไปในแอ่งหินโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องชี้บอกหรือพูดอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากภาพที่ปรากฏนั้นบอกตัวเองอยู่แล้วฮิ เสียงขีกระเช้าวุธอุทานห น, หนักๆออกมาในลำคอรพร้อมกันเรากับขมิ้นไล่ควายสแตลีอิสเบลคริสติน่าและพรานทั้งสี่คนของเขาดูจะกลายเป็นหินไปชั่วขณะจ้องภาพที่ไม่ห่างลงไปนักนั้นตาไม่กระพริบระยะเวลาที่ดูเหมือนเจตนาจะปล่อยให้คณะนายจ้างทั้งหลายได้ปรับจิตปรับใจและค้นหามูลเหตุที่มาเอาเองนี รับินไทรวันจุดบุรีสูงเงบเงียบๆอาการของเขาปกติธรรมดาที่สุดตามบุคลิกที่ทุกคนรู้จักบุญคำจันเกิดและเสยลูกศิษย์ก้นอุตติของเขาทั้งสี่ขยับตัวตามแง่หินลงไปทันทีแต่แล้วก็ชะ ง, งักเมื่อพรานใหญ่บอกว่าไม่ต้องลงไปหรอกเสียเวลายินมองอยู่บนนี้ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วนี่ คำพูดเรียบเรียบประโยคนั้นของเขาเองที่ทำให้ฝ่ายนายจ้างทุกคนได้สติไหวตัวและบุญคําซึ่งสุดตัวลงจะไต่ลงไปเป็นคนแรกก็เลยนั่งยองๆทำปากหมุบมิดเหมือนจะสวดคาถาอะไรของแกอยู่ตรงนั้นภาพเบื้องหน้าของทุกคนท่ามกลางความสว่างของยามบ่ายแม้จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของกิ่งไม้ก็ตาม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 นับได้ง่ายๆจากความโล่งตื้นปราศจากซอกมุมลับตาของแอ่งนั้นที่ทำให้ทุกคนสะท้านสะเทือนที่สุดในขณะนี้และพากันจ้องไปในจุดเดียวก็คือซากที่เคยถูกกับระเบิดของเชิดบุตรมีเหลืออยู่เพียงครึ่งตัวเฉพาะด้านบนแต่โพกกระขาด้านล่างขาดหายไปกับอีกซากหนึ่งซึ่งระพินเคยยิงขาพับ ทำลายกระดูกสะบ้าหัวเขา่าทำให้มันไม่สามารถลุกขึ้นมาเดินได้นอกจากใช้วิธีคลานา่ะทั้งสองซากนี้เล่นงานเขาก่อนเมื่อคืนวานซืนก่อนที่ตัวเขาเองจะถูกมันไรล่อไปตกที่เหวก่อนดับขันแล้วหลังจากนั้นมันก็เข้าไปคลานอารวาสอยู่ในแคมป์พักก่อนเกิดโกราหนสยองทั้งขบวนก่อนหน้าที่กองทัพช้างผีสิง จะบุกเข้าโจมตีบัดนี้เจ้าซากศพชำรุดทั้งคู่ได้ถูกนำมายโยนทิ้งกองรวมไว้กับซากอื่นๆตรงบริเวณเดียวกันนี้ด้วยปีปัญหาออกหรือยังนะครับว่าเป็นอะไรสำหรับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่ในที่สุดกระพินก็ทำลายความเงียบของหมู่คณะทุกคนขึ้น โดยถามรวมๆไปยังฝ่ายในจ้างอเมริกันซึ่งบัดนี้ยืนตาพองหน้าซีบเพราะความตกใจที่จู่ๆโดยไม่คาดฝันก็ถูกพาให้มาเห็นเข้าล่วงหน้าเลยเบนถอยหลังไปพิงโคลนก้อนหินใหญ่มีอาการเหมือนจะเป็นลมกำลังใจและขวัญของหล่อนไม่กล้าแกร่งนักส่วนคริสติน่ายืนมองดูสิ่งเหล่านั้นด้วยสายตาเยียบเย็น ส่อนความรู้สึกที่แท้จริงภายในไว้มิดชิดยิ่งนานวันยิ่งพิสูจน์ออกมาได้ว่าแม่ผมทองผู้นี้แก่นแท้ภายในราวกเหล็กเพชรขนาดผู้ชายอกสามซอกพักพวกของหล่อนเองยังตาเหลือตาปริ้นกระสิ่งที่เขานำมาพกแต่คริสติน่ามองดูเฉยกึ่งะงนกึ่งไตรรองขบคิดแตลีเม้มริมรฝีปากเกิดเป็นเส้นตรง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 จะกลับไม่พบซากของไอ้พวกผีดิบพวกนี้เลยความจริงก็คือภายหลังจากที่เราประทะมันไม่ไหวและบุญคำสั่งให้พวกเราทั้งหมดแคมป์ละหนีขึ้นหน้าผาโดยมีพวกช้างยังชุมนุมอยู่ข้างล่างก่อนจะถอยไปเมื่อใกล้รุ่งช้างผีโคลงนั้นได้นำเอาซากที่ไม่อาจใช้งานได้อีกนั้นก็คงหมายถึงว่าแต่ละซากวิญญาณร้ายจะไม่อาจหวนเข้ามาสิงสู่ เพื่อนำให้มันเคลื่อนไหวทำการใดๆได้อีกเนื่องจากถูกยิงด้วยกระสุนปืนลงอาคมของบุญคำตามที่คุณได้เคยอธิบายให้เราเข้าใจมาแล้วความเข้าใจของผมเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมจอมพลก้มศรีรษะนิดหนึ่งครับถูกต้องครับซากที่มันแอบขนมาสมไว้ที่นี่ก็คือซากซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้ว เนื่องจากโดนกระสุนปืนลงสยเวทแก้เคล็ดของบุญคำกับพวกที่ใช้กระสุนเข้าพิธีเหล่านั้นพู้ง่ายๆก็คือตายสนิทจะไม่แผลงฤทธิ์ได้อีกแนละ้วทั้งทั้งที่ความจริงไอ้ซากอุบาทเหล่านี้มันก็ตายมาแล้วนานแสนนานนับอายุไม่ได้และเพื่อเป็นการหลบซ่อนหลักฐานมันก็บังคับให้โถงช้างนำซากเหล่านั้นมาแอบซ่อนไว้ซักที่นี่ โดยมันก็คิดไม่ถึงว่าเราจะมาพบเขาแต่เราก็มาพบจนได้อย่างบังเอิญก็ใกล้รุ่งของคืนวันซื่อน่ะครับตอนมันถอยกลับออกจากบริเวณใต้หน้าผานะ่ะนี่นี่คุณมาพบได้ยังไงคิดถามเร็วปรือผมนํามาถึงที่นี่ก่อนทุกคนร่วมครึ่งชั่วโมงอย่างที่เรียนแล้วล่ะครับระพินตอบ ก่อนตัดสินใจแน่นอนว่าจะให้พวกเราพักกันที่นี่เนะี่ยผมตรวจบริเวณครั้งแรกก็ไม่ได้เฉลียวคิดอะไรทั้งสินงง้นบังเอิญมาสะดุดใจเมื่อเดินใกล้ก้อนหินก้อนนี้เข้ามาสังเกตรอยหินเล็กๆถูกเหยียบพลิกไว้หลายก้อนและมีร่องรอยของช้างจึงเดินอ้อมมาตรวจดูที่นี่ก็เลยเห็นอย่างที่พวกเรากําลังดูกันอยู่นี่ผมไม่ได้เรียนให้ทราบแต่แรก เพราะเห็นว่ายังไม่ใช่เรื่องสำคัญนักแต่เมื่อเรากําลังจะออกเดินทางผ่านที่นี่ไปผมก็เลยเชิญพวกคุณทุกคนรวมทั้งคนของผมให้มาเห็นไว้ว่าไอ้ซากผีดิบที่ถูกลูกปืนนาคมหมดกริษ์ลงในคืนวันซืน่นพวกมันขนมาทิ้งไว้ที่นี่เองแล้วก็เป็นหลักฐานยืนยันให้เราทราบแน่นอนขึ้นได้อีกข้อหนึ่งว่ากระสุนปืนโลหคมของบุญคา สามารถทำลายพวกมันได้จริงๆไม่ใช่แต่เพียงคาดคะเนเอาเท่านั้นเป็นกำลังใจให้พวกคุณเชื่อมั่นได้ว่ากระสุนที่บรรจุอยู่ในปืนแต่ละกระบอกใช้กระสุนที่บุญคำเข้าพิธีปลุกเสกไว้แม้เพียงนัดเดียวที่กระทบร่างไอ้ผีดิบพวกนี้มันจะหมดฤทธิ์ทันทีอาะว่าต่อไปอีกไม่ได้โดยเด็ดขาดกระสุนของเราฆ่าทำลายมันได้แล้ว ไม่ใช่ยิงทะลุผ่านตัวไปแล้วยังเดินเหมือนสมัยก่อนนี้นายจ้างอเมริกันทุกคนรวมทั้งเชิดวุฒิมีสีหน้าดีขึ้นในทันทีต่างมองไปที่ตะเ่าบุญคำที่นั่งยองๆอยู่ปากแองโดยไม่ทราบว่าเจ้านายทั้งหลายพูดถึงตัวเองว่ายังไงเชิดวุฒิดีใจและเลื่อมใสแก่ขีดสุดถึงกระเดินเข้าไปกอดคอตาพรานเท่าสิทธิเอกของรพินไว เด็ดขาดลุงคำให้มันได้อย่างงี้สิถึงจะเรียกว่าลูกสิบเอกของรบพินบุญคำไม่รู้เรื่องก็เลยทำหน้าตื่นอะไรเหรอนายทหารเชิดวุขแกล้งชี้ลงไปยังซากมื่นปีที่นอนสุมอยู่ในแอ่งข้างล่างและถามว่าไอ้ผีตายซากที่นอนกองสุมกันอยู่นี่จะลุกขึ้นมาไล่กลับเพือบีบคอพวกเราอีกได้ไหมลุง แต่พรานเท่ายิ้มแห้งๆตอบระษาซื่อของแกเ น, นื่องจากฟังไม่เข้าใจว่ารพินบอกอะไรกับพวกนั้นก่อนแล้วเพราะพวกนั้นใช้ภาษาอเมริกันในขณนะนั้นบุญคาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแหละนายทหารแต่ไอ้พวกนี้ก็คือพวกกี่บุญคำจันเกิดเสยแล้วก็นายทหารช่วยกันยิงไว้ตอนที่มันบุกเข้ามาพร้อมกับกองทัพช้างเมื่อคืนก่อนทั้งนั้น เมื่อมันถูกขนมากองทิ้งไว้ตรงนี้รวมทั้งไอตัวขาดครึ่งท่อนที่คลานเข้ามาไล่งับพวกเรากลางปางพากน้นด้วยและบุญคำก็มองไปทางเจ้านายโดยตรงของแกนายขอบุญคำลงไปตรวจ ด, ดูไอ้พวกผีนี่หน่อยได้ไหมอยากตรวจดูทุกตัวว่ามันโดนเข้าที่ไหนมั้งอยากลงไปดูก็ได้เนี่แต่เร็วหน่อยนะให้เวลาสามนาทีเท่านั้นแหละ เพราะแอ่งนั้นไม่ลึกนักบุญคำฝากไรเฟิลไว้กระเกิดแล้วสองคนโดยแกกระจันที่จับว่าอาวุโสที่สุดในกลุ่มพานพื้นเมืองของระพินก็กระโดดตุบลงไปในแอ่งนั้นทันทีช่วยกันเดินตรวจไปตามซากแข็งทื่อเป็นท่อนไม้หรือท่อนหินเหล่านั้นอย่างที่ทุน่นซุบซิบพูดอะไรกันเบาๆตลอดเวลาทุกคนรวมทั้งระพินยืนดูอยู่บนแอง่งครูเดียว บุญคำก็ร้องออกมาว่านายไม่ผิดไปหรอกไอชุดที่นั่งขี่มาบนคอช้างบุกโจมตีปางพักเราเมื่อวานซื้อนั่นแหละทุกตัวมีรอยกระสุนจุดสามเจ็ดห้าทั้งนั้นอย่างน้อยก็ตัวละนนัดถูกกลางอกก็มีหัวก็มีบางตัวก็ถูกแขนช้างขนพวกมันมายโยนทิ้งซ่อนไว้ตรงนี้เอง จอมพลันโบกมือเป็นสัญญาณอาละ่ะขึ้นมาได้แล้วไม่ต้องไปแต่ต้องทำอะไรกับมันทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องไปบอกให้ลูกหาพลึกกระเหียงทุกคนรู้ว่าเราพบอะไรตรงนี้เด้อเดขึ้นมาทั้งสองคนแหละจันไตขึ้นมาโดยเร็วบุญคำยืนนิ่งสะกดจิตเหมือนจะบริกรรมอะไรอยู่อีกอึดใจหนึ่งก็เห็นตามขึ้นมา้วพินบอกให้คณะในจ้างของเขาทั้งหมด พระออกจากที่นั่นเพื่อเริ่มเดินทางคริสติน่าพระออกจากที่นั่นเป็นคนแรกอาการของหล่อนดูเหมือนจะไม่สนใจกับอะไรทั้งสิน้นคีตเชิรวุฒและสตาลีเดินรวมกลุ่มกันมาเบนคนเดียวที่ยังคงนั่งเหมือนหมดแรงอยู่ใต้ฐานก้อนหินใหญ่ที่บางตากแห่งไว้รพินกำลังจะเดินผ่านอยู่แล้วเหลือบมาเห็นเข้าก็ส่งมือไปจับชุดหล่อนให้ยืนขึ้น แล้วแตะดันเบาๆที่หลังเป็นเชิงกระตุ้นเตือนให้เคลื่อนไหวเขมแข็งหน่อยเบียตอนนี้คุณดูจะพ่อแป้ป่อแป้ อ, ป อ, ป อ, ป อ, อ่อนแอลงไปมากนะทั้งร่างกายและจิตใจเบนยิ้มชืดชือขอบคุณทพินที่เตือนให้รู้ตัวนอกจากความเป็นสุภาพบุรุษแล้วในส่วนลึกคุณยังมียังเป็นคนมีความการุณาอีกด้วย แล้วก็ขอโทษที่คุณอาจรู้สึกขึ้นมาว่าฉันเริ่มจะเป็นภาระที่คุณต้องคอยกังวลและนี่เบอรอย่าพูดอย่างนั้นนะอย่าพูดว่าเป็นภาระที่ต้องคอยกังวลไม่เฉพาะคุณหรอกทุกคนนั่นแหละล้เป็นภาระของผมทั้งนั้นถึงผมเองก็อาจเป็นภาระของคุณได้เหมือนกันถ้าเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมา ตอนที่คริสไปตามฉันและฉันล่าไปรับวิทยุเขาพูดอะไรกับคุณเนอะก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากหรอกแล้วก็ไม่มีอะไรที่คุณจะต้องเป็นกังวลเบลเหลือบมองหน้าเขาอย่างคลางแคลงไม่สิ้นสงสัยฉันเห็นเขาเดินพ่ักลับมาแล้วต่อมาบุญคำก็วิ่งมาตามพวกเราบอกว่าท่าทางคุณจะไม่สบายเมื่อเราเข้าไปถึง เห็นคุณนั่งเอามือกุมหัวอยู่ถามจริงเหอะคริสทําร้ายอะไรคุณหรือเปล่าคุณก็ระแวงแล้วก็หวาดกลัวคริสมากเกินไปละคริสเป็นใครแล้วผมเป็นใครคุณถึงจะต้องมาคอยห่วงว่าเขาจะมาทําร้ายผมอะ่ะเปล่านะระพินฉันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะทําร้ายร่างกายแต่ทําร้ายจิตใจไงเป็นต้นว่าเขาอาจจะเหน็บแนม มือเสียสีอะไรไปถึงผู้หญิงที่คุณรักทำให้คุณไม่สบายใจได้ระพินหัวเราะเบาๆสั่นสีสะัะหวนคิดไปถึงภาพตนเองที่ตบคริสติน่าจนหน้าสะบัดเลือดไหลออกจากมุมปากและน้ำตาไหลซึมจากดวงตาซึ่งแน่ละ่ะภาพนั้นลืมยากไม่รอกคุณคริสไม่ใช่คนโง่ถึงขนาดนั้น ถ้าบังเอิญว่าเขาจะทําร้ายจิตใจผมไปบ้างแล้วก็เป็นการทําร้ายโดยที่เขาไม่เจตนาแล้วผมก็โต้อตอบเข้าไปแล้วรุนแรงพอสมควรทีเดียวมันทําให้ผมไม่สบายใจอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้แต่ถึงยังไงผมก็ทําไม่ผิดผมว่าผมทําได้ถูกต้องแล้วนะคุณขบวนการเรียงอพยพถูกต้นให้เดินไปเบื้องหน้าก่อนภายใต้การนําของจันทร์และหัวหน้าหมู่บ้านตะเคียนทอง นทางเดินระยะนี้สะดวกขึ้นบ้างแล้วเพราะอาศัยเส้นทางขนาดใหญ่ที่ทอดระหว่างยอดเขาต่อยอดเขาอันเป็นด่านช้างบางครั้งไต่ขึ้นสูงบางครั้งก็ทอดลงสู่ที่ต่ำลาดชันเกือบจะเป็นแนว45องศาุบเหวมีอยู่ทุกระยะทางปลาชุ่มเขียวเชอุ่มปลาชุ่มเขียวชอุ่มบางขนาด จะเห็นหมู่เมฆลอยเรี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับเส้นทางเดินไปไกลลิบๆหนือยอดไม้ของป่าทึบในบริเวณหุบผาหมาหอนการเคลื่อนขบวนในครั้งนี้ไม่มีอะไรเร่งร้อนคงคืบหน้ากันไปตามสบายเพราะรู้จุดหมายปลายทางแน่นอนว่าจะยังไงเสียก็ไม่มีทางที่จะทำเวลาไปให้ถึงจุดมุ่งหมายได้ต่อให้ยืดระยะเวลาในการเดินทาง ภายหลังตะวันตกดินไปแล้วอีกสักสามสี่ชั่วโมงก็ตามทุกคนของฝ่ายนายจ้างกว่าจะมารู้สึกตัวว่าวันต่อวันที่ระพินนำทางไปตามลำดับนั้นค่อยๆไตระดับสูงกว่าพื้นราบหรือน้ำทะเลขึ้นมานับเป็นพันพั น, พนฟุตก็ต่อเมื่อมองเห็นเมฆที่ลอยต่ำกว่าพื้นดินที่ตนเองกำลังเดินอยู่ในขณะนี้นี่เอง เมื่อเลือบลงไปยังยอดของป่าสูงริมทางเดินแล้วก็ตามธรรมเนียมวิสัยของระของกระพินตามความรู้สึกของนายจ้างขณะเมื่อออกเดินทางเขาจะไม่เปิดโอกาสให้นายจ้างคนใดได้ซักถามหรือสนทนาเลยโดยถ้าไม่รังท้ายเว้นระยะห่างอยู่หลังขบวนสุดก็หายลิปไปทางด้านหน้าหากไม่จำเป็นจริงๆแล้วจะไม่เข้ามาเดินเคียงรวมกลุ่มด้วย อาจระยะต้นๆบ้างเท่านั้นที่เดินรวมหมู่อยู่ด้วยแต่ช่วงไม่นานก็แยกตัวซึ่งทุกคนจับเคล็ดข้อนี้ของเขาได้แล้วไม่มีใครกังวลคอยถามหาเพียงแต่ว่าทุกๆหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปหากไม่มีวี่แววหรือเงาของเขาบ้างเลยสแตนลีย์จะเป็นผู้เรียกทางวิทยุเชิงซักซ้อมทดสอบวิทยุรับส่งซึ่งเขาก็จะตอบรับมาเพียงสั้นๆ พร้อมทั้งรายงานให้ทราบว่าขณะนี้ตนเองกำลังอยู่ที่ไหนเท่านั้นเนินแล้วเนินเล่าที่ทั้งขบวนอันยาวเหยียดบุกบันรอนแรมกันไปตะวันชิงพลบลงเป็นลำดับจากภูมิประเทศสองฝั่งทางที่เป็นเชิงเขาของป่าดงดิบบัดนี้แลเห็นภูเขาเล้นล้วนระงงานเงื้อม ชันสูงลิ้วไปทั้งสองข้างโดยบีบผลทางเดินอันมีลักษณะเป็นถนนให้ผ่านเข้าไปในระหว่างแนวบีบขนาบของสองฝั่งหน้าผาที่เต็มไปด้วยโขดหินตะปุ่มตะป่ําใหญ่น้อยนับไม่ถ้วนเหล่านั้นเส้นทางเดินเป็นเสมือนตรอกที่ตัดผ่านเข้าไปในซอกระหว่างตึกมาฮมาอันประดับไปด้วยโขดหินศิลารายมีแต่ไม้เล็ก และหญ้าบางชนิดเท่านั้นที่งอกแซมอยู่ประปรายแดดผีตากผาอ้อมซึ่งาสาดส่องมาทางเบื้องหลังของขบวนส่องจับไปที่ภูผาลักษณะประหลาดนั้นสะท้อนประกายแดงแสด ร, ราวกับฉากที่อาบไว้ด้วยไฟสีทั้งงดงามจับตาและทั้งกล่าวเปลี่ยววังเวงอย่างบอกไม่ถูก ขณะนั้นเองริ้ขบวนของกรเลียงอพยพที่เดินนําอยู่เบื้องหน้าและเพิ่งจะผ่านเข้าสู่แนวขนาบของภูเขาหินทั้งสองด้านก็พากันหยุดชะงักอยู่อันเนื่องมาจากเป็นเส้นทางสายตรงและการเดินเรียงแถวตามกันมาในระยะโดยไม่เว้นระยะขบวนห่างกันมากนักฝ่ายนายจ้างจึงสังเกตเห็นการหยุดอย่างกระทันหันนั้นได้อย่างถนัด การหยุดของพวกกระเหลียงทำให้ขบวนลูกหาบที่ตามมาด้านหลังพลอยหยุดไปด้วยเอ๊ะนั่นอะไรพวกนั้นหยุดกันทำไมคิดร้องขึ้นอย่างประหลาดใจขณะที่คัมเมนมองไปเบื้องหน้าสเตลีเหลือบดูนาฬิกาข้อมือมันชี้บอกเวลาสิบหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีแม้จะใกล้ค่ำเต็มทีสำหรับบรรยากาศของขุนเขาลำเนาไพร มันก็ยังมีเวลาเดินต่อไปได้อีกอย่างน้อยก็สองชั่วโมงสําหรับเส้นทางที่แลดูสะดวกราบรื่นไม่ต้องบุกรกบุกพงเช่นนี้คงไม่หมายความว่าจะมีการหยุดพักตั้งแต่ตั้งแคมป์นอนกันที่นี่นะภูมิประเทศมันไม่อํานวยให้หยุดพักได้เลยเวลา ย, ยังมีเหลือก่อนอตะวันตกดินนิหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นอย่างชงนฉงไงครั้นแล้ว ทันใดนั้นก่อนที่ใครจะเอ่ยขึ้นเช่นใดต่อไปเสียงของรพินไพรวันซึ่งไม่มีใครรู้เห็นว่าอยู่ที่ไหนก็ดังขึ้นจากวิทยุทุกเครื่องของฝ่ายนายจ้างที่เหน็บเอวอยู่รพินเรียกทุกคนครับรพินเรียกทุกคนครับเรากําลังรอฟังข่าวจากคุณอยู่แล้วนะระพินเป็นยังไงมีอะไรเหรอ ตอนนี้ผมสั่งให้ขบวนเกรเรี่ยง <ผม S 1> อพยพยที่เดินอยู่ข้างหน้าหยุดแล้วขณะนี้ขอทราบว่ามีพรันของผมคนใดอยู่ใกล้กลุ่มของพวกคุณบ้างครั บ, รบมีเกิดกระเซยผู้ที่ตอบออกไปคือเชิดวุฒขอให้เกิดหรือเซยพูดกับผมหน่อยครับเสียงบอกมาแม้จะฟังดูราบเรียบธรรมดาแต่ก็มีวิแววร้รอนรนแฝงอยู่ชัด เฉิพูดหันไปคว้าแขนเกิดผู้ที่ยืนอยู่ใกล้เขาที่สุดและยกวิทยุมือถือจ่อให้ที่ปากของเจ้านายพรานเด็กหนุ่มทันทีบอกว่าพรานใหญ่ต้องการพูดกับนายเนี่ยอ่ะพูดกับเขาได้เลยเกิดพูดครับนายเจ้าเกิดพูดกรอกเข้าไปในวิทยุเหมือตนตะโกนเกิดฟังให้ดีนะเสียงจอมพรา น, รานดังออกมาเป็นภาษาไทาย เจตนาโดยตรงที่จะให้ฝ่ายนายจ้างส่วนใหญ่ซึ่งก็ล้วนเข้าใจภาษาไทยได้รู้เรื่องหยุดพวกลูกหาบของเราไว้ตรงนั้นก่อนนะอย่าให้เดินแซงขึ้นมากะเรียงด้านหน้านะ่ะฉันหยุดไว้แล้วพอได้ยินดังนั้นทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ไม่มีใครรู้เรื่องหรือเข้าใจเหตุการณ์ใดๆทั้งสิน้นฝ่ายนายจ้างที่กําลังจะก้าวเดินไปข้างหน้าโดยแซงขบวนลูกหาบก็หยุดชะงักทันที เกิดหันไปตะโกนบอกเสยและเจ้าเสยก็ห่อแนบไปขวางหน้าขบวนลูกหาบทั้งห้าคู่ไว้ลูกหาบหยุดแล้วครับนะ้ยเกิดรับคาโดยเร็วและตะโกนกล้องกับลูกหาบทั้งห้าคู่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยถอยก่อนถอยถอยถอ ย, ถอยเร็วถอยลงมาทางเดิมไปหยุดอยู่ที่ปลวกใหญ่ริมดงข้างล่าง น, น่นถอยชิบหายละสินีม่มันเกิดอะไรขึ้นนี่ เชิดวุฒแท็เต็นผางตะโกนลั่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงโต้อตอบระหว่างเกิดกับระพิงอย่างถนัดสแตลีคิดและอิสเบร์พากันเดินหน้าเลิกหลักระสำระสายกันไปหมดส่วนคริสติน่ายืนกัดริมฝีปากไรตามองไปยังขบวนเบื้องหน้าซึ่งกำลังถอยกันมาเป็นทิวย้อนไปทางเดิมโดยมีโบเมียนายบ้านโบปืนแกต้อนมาพวกนั้นถอยกันมาอย่างเงียบ กระพินทำไมคุณไม่บอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นสเตลีกรอกเสียงดังลั่นลงไปในวิทยุของเขาทุกท่านฟัง <ขอ S 1> ผมนะครับแล้วกรุณาปฏิบัติตามผมด้วยครับผมขอให้อิซาเบลและคริสติน่าอยู่ในกลุงของพวกลูกหาบทถอยโดยมีคนของผมสองคนคือเกิดกระเรยขอให้การช่วยเหลือหากจำเป็นส่วนดออรสเตลีเคนนคิดและเชอร์บูธ โปรดเดินขึ้นมาเดินมาตามเส้นทางด่านนี่แหละครับผมกำลังยืนคอยอยู่แล้วเมื่อไต่ทางขึ้นมาแล้วจะเห็นเองว่าผมอยู่ที่ไหนเฮ้มิสเตอร์ฮันเตอร์นี่อยู่จะไม่บอกเลยเหรอว่ามันเกิดนรกจกเปรตอะไรขึ้นคริสติน่าหรือไลล่าแผดเสียงสวนขึ้นในเครื่องปรับทรงเครื่องรับส่งวิทยุเป็นประโยคแรกนับแต่การเดินทางช่วงหลังซึ่งหลอนไม่เปิปากพูดอะไรกับใครเลยจนประโยคเดียว คริสและเบนโปรดทำตามคำสั่งผมครับปล่อยให้พวกผู้ชายที่ผมเอ่ยนามแล้วขึ้นมาพบผมส่วนคุณสองคนคุมพวกลูกหาบไว้เฮ้คริสตินาพรุตสวารดลั่นอย่างลืมตัวหันขวับไปทางอิสเบร์ว่าไงเบร์จจะอยู่กับพวกลูกหาบเหรอไม่จะจะตามเขาขึ้นไปด้วยเราต้องรู้เห็นด้วยตาว่ามันคืออะไรอยู่ข้างหน้า แต่พระนั่นบางอาจมาสั่งการกับเราอย่างงี่เง่าที่สุดไม่มีปัญหาเสียงของแม่มสาวทั้งสองที่เอตดตโรต่อโต้ตกันเองจะไม่แววเข้าวิทยุแล้วแววไปถึงระพินในขณะนี้ด้วยบัดดนนั่นเองดอรสตาลีผู้เป็นหัวหน้าคณะทั้งหมดก็พยักหน้าอย่างเฉียบขาดว่าพวกเราทั้งห้าคนคือผมเชิด ว, วุฒิท เบร์และคริสติน่าจะขึ้นไปทั้งหมดแล้แหละระพินส่วนพวกลูกห่าก็ให้เกิดกระเสริยคอยดูแลไว้กล่าวจบสเตลี Stanley ก็สลัดไรเฟิลออกจากไหลมาถือไว้วิ่งเหาะๆนําหน้าขึ้นไปก่อนทันทีโดยสวนกับขบวนของกระเรียบที่ถอยร่นกันมาคริสติน่าอิสเบรและคิดก็กลัวตามไปติดติเชือดวุฒนั้นขยับจะวิ่งแต่ความรอบคอบสะดุดใจ ทำให้กระโจนเข้าไปหาเกิดยัดเยียดวิทยุในมือให้บอกเร็วหรือว่าเกิดนนอวิทยุเครื่องนี้ไว้นะแล้วคอยรับฟังไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นจะไม่รู้เรื่องกันเลยเจ้าพรานเด็กหนุ่มนั้นไม่งโง่นักหรอกและพอจะเข้าใจวิธีใช้วิทยุมือถือแบบพิเศษนั้นได้เป็นอย่างดีเนื่องจากคลุกคลีใกล้ชิดและเห็นวิธีใช้อยู่ก่อนแล้วคว้ามาทันที เชิดบุตกลัวตามพรรคพวกที่วิ่งล่วงหน้าไปก่อนแล้วนั้นไต่ทางชันขึ้นไปโดยไล่หลังติกๆระยะมันดูด้วยสายตาว่าไม่ห่างกันนักระหว่างตำแหน่งที่คณะนายจ้างกําลังไต่ทางชันอย่างรีบด่วนในขณะนี้เพื่อมุ่งตรงเข้าไปยังช่องเขาหินโดยหนทางอันลาดชันสูงขึ้นไปนั้นแต่เมื่อออกแรงวิ่งบ้างเดินบ้างรุดหน้ากันขึ้นไปในภาวะเร่งร้อน ทำเวลาเช่นนี้ก็ปรากฏว่าเต็มกลืนเลยทีเดียวผนทางสายนั้นมันลวงตาแท้ๆก็เส้นทางสูงชันนี่แหละที่เราก็เรียงอพยพซึ่งเดินเป็นขบวนอยู่เบื้องหน้าได้พากันถอยร่นกลับลงมาตามคำสั่งของระพิยังไม่มีใครเห็นตัวเขาในขณะที่ตะเกียกตะกายแข่งเวลากันขึ้นไปยันกระบุนคำซึ่งไม่ได้ถอยลงมาในหมู่พวกนั้นด้วย ก็ไม่ปรากฏให้เห็นเหมือนกันไม่ทราบว่าทั้งสามแฝงตัวอยู่ที่ใดจนกระทั่งพักใหญ่เงือโชกราวกระอาดน้ำและกำลังขาอ่อนเปรียยแทดจะหมดแรงเดินเลยทีเดียวคณะนายจ้างไ่กันทั้งสี่ผู้หอบจนตัวโยนก็บรรุถึงปากทางช่องหินตะวันเบื้องหลังที่จรดขอบลงกระไหลเขายิ่งสาสีแดงจัดราวกับเป็นสีเลือดดูประลา กระพินเราขึ้นมาถึงที่นี่แล้วนะคุณอยู่ที่ไหนอะ่ะหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียสยกวิทยุขึ้นพูดห่อพอ บ, อบขาดเป็นห่วงห่วงอยู่นี่ครับเสียงตอบมาเบาๆไม่ได้แววออกมาจากทางวิทยุของใครเครื่องใดทั้งสิ่งแต่เป็นเสียงพูดจากปากของเขาโดยตรงเมื่อหันขวับมาก็เห็นกระพินไพรยวัน หลวกมาจากโขดหินลูกใหญ่รูปหลังเต่าเบื้องหลังของทุกคนพร้อมกับก้าวเข้ามาสมทบทั้งหมดที่เหนื่อยกันจนหน้าซี่เพราะตะเกียกตะกายแข่งกับเวลากันขึ้นมาจ้องเขาเป็นตาเดียวนั่นแหละเป็นสายตาแห่งคำถามที่ยังไม่อาจเปล่งออกมาเป็นวาจาได้ซึ่งระพินก็เข้าใจได้ดีเมื่อเดินเข้ามาถึงกลางกลุ่มก็บอกเสียงต่ำๆว่า อลครับทุกคนขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ดีแล้วครับพักหายใจก่อนสักสองสนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะหารือกันอีกทีนึ่งนั่งพักกันได้ตามสบายครับทั้งห้าคนอันประกอบด้วยด็อเตอร์สเตลลีคีธเชิร์ดบุตอิสเบรและคริสตินาเขาอ่อนกันไปหมดพา ก, กันชุดกายหวบลงนั่งพักบนก้อนหินซึ่งมีอยู่รอบด้านทั่วไป และเปิดกระติกน้ำออกมากรัวกคอระพินยืนอยู่ในระหว่างการนั่งพักอย่างอ่อนแรงของคนเหล่านั้นเขายังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเหมือนจะทอดระยะเวลาให้ฝ่ายนายจ้างบรรเทาความเหนื่อยหอบลงซะก่อนทุกคนบัดนี้แลเห็นสีหน้าของจอมมักคุเทศเกรียมเป็นมันแลแข็งกระด้างพอๆกับก้อนหินภูเขารอบด้าน มือเก่าๆของเขาซึ่งตามปกติมักจะเห็นรูปปีกลงมาบัดนี้ถูกเสยให้ไปกองอยู่บนกลุ่มผมหยกักศกกลางศรษะโดยมีสายรัดทางกันปลิวคาดไว้ใต้่างพอนไรเฟินไว้ในแขนซ้ายส่วนแขนขวายกขึ้น้ายเช็ดคราบเหงื่อใคร บ, บนใบหน้าและจ้องดวงตาคมกริบภายใต้กรอบลึกมองแนวนิ่งขึ้นไป ยังหน้าผาหินสลับซับซ้อนสูงขึ้นไปทั้งสองด้านบางก้อนก็จะเป็นก้อนหินรูปร่างลักษณะสันฐานต่างๆดูแข็งแกร่งด้วยตัวของมันเองและบางแถบก็จะเป็นหินเปราะร่วนซุยโดยเป็นแผ่นซึ่งอัดซ้อนกันอยู่หลายหลายชั้นยื่นโพโลเหลื่อมลำ้ำเป็นช่อชั้นลดลันกันขึ้นไปแถบจะหาที่สิ้นสุดมีได้ ยิ่งมาประกอบกับแสงตะวันยามชิงพลบเช่นนี้งามสุดจะพันนาได้จันกระบุญคำอยู่ไหนเนี่ยคิดเอ่ยถามขึ้นบ้างหลังจากทุกคนนั่งพักดื่มน้ำกันอยู่อึดใจใหญ่แทนคำตอบระพินชี้มือไปทางแนวก้อนหินปากทางซีกขวามือเมื่อต่างแงนมองตามก็เห็นลูกศิษย์กุนติซ้ายขวาของจอมพราน ขึ้นไปนั่งจอง๋องเงียบอยู่บนแง่หินตอนหนึ่งห่างขึ้นไปไม่มากนักกําลังมองมาอยู่แล้วกลืนไปกับก้อนหินเหล่านั้นจนสังเกตไม่ได้หากไม่ได้รับการชีบ้บอกสเตลีเป็นคนแรกที่ยืนขึ้นภายหลังสะกดความเหน็ดเหนื่อยได้แล้วมองไปยังหนทางเดินซึ่งเป็นช่องกว้างที่สุดไม่เกิน10เมตรและบางตอนก็สอด สอบแคเข้าไปเหลือเพียงห้าหเมตรระหว่างโคดผาสูงทะมึนนั้นทุกคนจึงค่อยๆทยอยกันขึ้นยืนและหันไปพินิษ์ดูภูมิประเทศนั้นด้วยพร้อมกับไตรตรองเพื่อหามู ล, ลเหตุในข้อที่ว่ารพินสั่งให้ขบวนเกรเี่ยงอพยพและลูกหาบทั้งหมดถอยกลับลงไปทำไมแทนที่จะให้เดินผ่านเส้นทางนี้ไป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 เหลือตามองดูหน้าเขาผู้ซึ่งยังแหงนดูสูงขึ้นไปเบื้องหน้าอยู่เช่นนั้นนี่คือเส้นทางที่เราจะต้องเดินผ่านใช่ไหมกระพิ์ครับใช่ครับเขาตอบสั้นๆผมรู้ว่าคุณต้องมีเหตุผลในข้อที่ว่าทำไมคุณถึงหยุดพวกเราไว้กระทันหันมิหนำซ้ำยังให้ขบวนกระเหลี่ยงกัะลูกหาบของเรา ถอยลงไปโดยเร็วที่สุดพระใหญ่ใช้หลังนิ้วขยี้ปลายจมูกเบาๆอาการของเขาเต็มไปได้วยความอึดอัดยังไงบอกไม่ถูกแล้วก็เ อ, อ่ยขึ้นยิ้มยิ้มอย่างทำให้เป็นอารมณ์ขันว่าในการถูกแนะนำครั้งแรกที่บ้านพักของคุณอำพลผมพอจะทราบและจำได้อยู่ว่าสุภาพสตรีผมแดงน่ะเป็นแพทย์และเชี่ยวชาญทางโรคเมืองร้อน โดยเฉพาะส่วนสุภาพสตรีผมทองเป็นนักเคมีฟิสิกส์และเทคนิเชียนโดยตรงเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูแต่ทั้งสองรายนี่แหละรู้สึกว่าจะชำนาญทางธรณีวิทยาด้วยผมจำไม่ได้สแล้วว่าเธอผู้นั้นคือใครสาวผมแดงหรือว่าสาวผมทองทำไม เสียงถามขึ้มๆดังมาจากคริสตินะ่าโดยมองไม่เห็นหน้าเขาอ๋อถ้างั้นก็นึกออกแล้วคุณเองละมั้งคริสที่เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาด้วยนี่คุณฉันไม่เข้าใจว่าคุณเกิดจะมีอารมณ์ขันหรืออารมณ์สนุกอะไรขึ้นมาไม่ทราบในขณะที่พวกเราทั้งหมดยกเว้นแต่คุณคนเดียวกำลังเผชิญกับปัญหาและมีคาถามอยู่ในขณะนี้ หล่อนพูดเสียงเบาแต่ชัดเจนทุกท้อยคำและไม่ยอมพูดไทยกับเขาอีกเลยดูราวกับจะถอดถอนความเป็นกันเองออกจากเขาโดยสิ้นเชิงมีแต่ความเป็นงานเป็นการสงบขรึมและลึกลงไปกว่านั้นซ่อนความหมงงหมางเอาไว้กลางแก่งใจ